รักษาจิตให้คิดในทางที่ถูกเพื่อรักษาจิตใจมิให้ได้รับทุกข์อันเกิดจากอารมณ์กิเลสเป็นต้นว่าโกรธจำเป็นจะต้องระวังการคิดปรุงหรือปรุงคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเพราะการคิดปรุงหรือปรุงคิดนี้ เป็นสาเหตุที่แท้จริงของอารมณ์กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าโกรธไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์กิเลสเหล่านั้นดังที่มีผู้เข้าใจผิดกันเป็นอันมากดังได้ยกตัวอย่างแล้วว่ารูปเดียวกันเสียงเดียวกันเรื่องเดียวกันมิได้ทําให้ผู้ได้เห็นผู้ได้ยินผู้รับรู้มีอารมณ์อย่างเดียวกัน ผู้หนึ่งอาจจะชอบผู้หนึ่งอาจจะไม่ชอบทั้งนี้แล้วแต่การปรุงของใจซึ่งไม่เหมือนกันความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์การทำสติเพียงพยายามอบรมใจให้คิดปรุงไปในทางที่จะให้ความสุขเกิดมิใช่ให้ความทุกข์เกิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมีผู้ใดมองข้ามไปเสียอย่างไม่สนใจ โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนการคิดปรุงไปในทางที่จะไม่ให้โทสะเกิดจึงเป็นสิ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้นได้กล่าวมาแล้วถึงความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตาซึ่งแยกออกไปมากมายหลายอย่างบัดนี้มาลองแยกความโกรธ ที่เกิดจากเรื่องไม่ถูกใจซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันเคยมีผู้เล่าเรื่องการโกงการกินที่นั่นที่นี่อย่างโกรธเคืองว่าไม่น่าจะทำกันได้ถึงเช่นนั้นผู้เล่าไม่ชอบใจเลยอเนตอนาใจมากคือโกรธมากนั่นเองบางผู้มาเล่าเรื่องความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคมปัจจุบันอย่างรังเกียจชิงชัง ยังมีเรื่องที่ไม่ถูกใจอีกหลายเรื่องซึ่งแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันกับเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตาเพราะเหตุผลเดียวกันคือทุกคนที่เป็นปุถุชนย่อมจะมีเรื่องไม่ถูกใจตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมากดังตัวอย่างบางคนไม่พอใจการโกงการกินที่นั่นที่นี่ แต่ขณะเดียวกันบางคนพอใจน้รู้ได้จากการที่เมื่อมีผูท้ทมก็แสดงว่ามีผู้พอใจบางคนรังเกียจความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคมปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันบางคนนิยมชมชอบซึ่งก็รู้ได้จากการที่มีผู้ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ก็แสดงว่ามีผู้ชอบใจทั้งนี้ก็อยู่ที่การปรุงของจิตใจเช่นเดียวกัน ปรุงให้เห็นเป็นดีงามก็ปรุงให้ชอบปรุงให้เห็นเป็นไม่ดีไม่งามก็ปรุงให้ไม่ชอบแต่สําหรับตัวอย่างที่ยกมากล่าวข้างต้นการปรุงให้ชอบหรือไม่ชอบไม่เกิดผลดีแก่จิตใจตนเองทั้งสองประการการปรุงให้ชอบเรื่องโกงกินทําใจให้นิยมยินดีในการกระทําเพื่อโกงกินย่อมเป็นผลเสียอย่างยิ่ง ทั้งแก่จิตใจตนเองและทั้งแก่ส่วนรวมการปรุงใจให้ไม่ชอบใจเมื่อได้ฟังเรื่องโกงกินทําให้เกิดโทโสก็เป็นการทําใจตนเองให้ร้อนเป็นทุกวิธีปรุงที่ควรนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในเรื่องดังกล่าวจึงน่าจะปรุงไปในทางที่จะสามารถทําใจให้ไม่ไปนิยมชมชอบด้วยและไม่ไปโกรธขึ้นด้วย รักษาใจไว้ให้สงบเยือกเย็นได้ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเป็นสำคัญทางนี้มิได้หมายความว่าจะทำใจให้ไม่สนใจรับรู้ในเรื่องใดเสียเลยไม่ปฏิบัติการใดๆเพื่อให้เหมาะให้ควรต่อเรื่องใดๆเสียเลย